อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ278 1้ิกษปนิูนิมนต์กลับด้วยคิดว่าเราสองรูปฉันด้วยกันพัฒหารจะไม่พอสองพิสูจนิมนต์กลับด้วยคิดว่ารูปนั้นพบของมีค่าแล้วจะเกิดความโล 3. ภ3าพิสูุนิมนต์กลับด้วยคิดว่ารูปนั้นเห็นมาตุคามแล้วจะเกิดความกำหนัด 4. ีพิกูจนิมนต์กลับด้วย สั่งว่าเธอจงนำข้าวต้มข้าวสวยหรือของเคี้ยวของฉันไปถวายภิกษุเป็นไข่ภิกษุผู้ตกค้างอยู่หรือภิกษุผู้เฝ้าวิหารห้าภิกษุไม่ประสงค์จะประพฤติอาจารย์แต่มีธุระจำเป็นจึงส่งกลับหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัติอุยโยชนะศกขาบทที่สองจบ